แต่ว่าความสุขที่คนเรารู้จักเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุความสุขที่เกิดจากการเราติดกระตุ้นใจอันนี้เป็นความสุขที่คนคุ้นเคยกันต้องอาศัยสิ่งเรา สิ่งเราเนี่ย จ, จะเป็นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะสถานที่แปลกแป ล, แปลตื่นตาตื่นใจหรือว่ามันช่วนะจญภัยอันนี้เราเป็นความสุขที่เกิดจากสิ่งเรามันเราจิตกระตุ้นใจอาหารที่จะให้ความสุขกับเราก็ต้องเป็นอาหารที่มันกระตุ้นนิ้ง เพลงที่จะให้ความสุขกับเราก็หมดเพลงที่มันกระตุกให้หรือกระตุ้นให้เกิดความต่นเส้นหลายคนไปเที่ยวห้างเนี่ยแม้จะไม่มีไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยแต่เข้าไปก็เพื่อจะหาสิ่งเราจะเป็นภาพจะเป็นสีจะเป็นเสียงจะเป็นกลิ่นก็นแล้วแต่ ความสุขสนิดนี้เนี่ยน ะ, ะเป็นความสุขที่คนคุ้นเคยกันแต่ว่ามันมีความสุขที่ประเภทหนึ่งนะเป็นความสุขที่มีลักษณะเหมือนกับตรงเอนทา่าเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบยิ่งสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นสุขความสุขชนิดนี้เนี่ยนะ ค น, คนเราเนี่ยถ้าเกิดมาทั้งทีก็ควรจะเข้าถึงให้ได้เพราะว่ามันมีรสชาตทิที่ดีกว่าอาจจะไม่บรหวาแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราให้อยู่ได้อย่างปกติสุขเปรียบเหมือนกับ น, น้ำหวานนะั้นน้ำหวานเนี่ยมันกินอร่อยนะสีมันก็สวยแต่ว่าเราไม่สามารถจะกินได้ทุกวัน หรือเราไม่สามารถจะกินได้ตลอดเวลาเพราะถ้าเรากินตลอดเวลานี่เดี๋ยวก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บนะน้ำหวานนะมันไม่เหมือนกับ น, น้าฝนน้ำฝนนี่จืดก็จริงแนตะ่ไม่มีสีแต่ว่าเราขาดไม่ได้นะความสงบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยหลอเลี้ยงจิตใจทำให้เราเนี่ยจะเรียกว่ามีความปกติสุข คนเราเนี่ยถ้าเราไปรู้จักแต่ความรู้สึกความสุขชนิดแรกเนี่ยนะมันจะสุขได้ประเดี๋ยวประดาแต่ว่าก็อาจจะมีความทุกข์ตามมายาวนานก็เหมือนกับน้าหวานนะของหวานเนี่ยเรากินเยอะๆมันก็มีความสุขนะแต่พอ กินไปนานๆจะเกิดผลตามมาเช่นฟันเสียฟันหลอถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเกิดโรคสะสมตามมาโรคเบาหวานโรคหัวใจอย่างนี้เขากำลังรณรงค์ให้กินหวานให้น้อยลงนะโดยเฉาคนไทยเพราะว่าแต่มันก็เลิกยากเพราะว่ากินแล้วเนี่ยคนเราก็ชอบเพราะมันหวานมันมีความสุขเป็นสุขที่ง่าย แต่ว่าเป็นสุขชั่วคราวแล้วก็ทุกยาวนานสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นเราเกิดกระตุ้นใจก็จริงนะแต่ว่าพอเราไปนานๆนนเนี่ยเราก็ชักเฉยแล้วมันต้องเพิ่มถ้าอยากจะกจะมีความสุขเท่าเดิมต้องเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นก็เหมือนกับเราคนตะกอนเนี่ยสมัยยังเด็กๆ เ, เนี่ยอาจจะ ก, กินกาแฟครึ่งช้อนนี่นะก็ ก็เต็มที่แล้วจะพอกินไปนานๆเนี่ยครึ่งช้อนไม่พอมันต้องช้อนหนึ่งสองช้อนแต่ก่อนซูเปรีเนี่ยครึ่งมวนนี่ก็โอเคแล้วแต่ตอนหลังนี่จะให้ได้ความรู้สึกเหมือนเดิมมันต้องสูบนะวันละหลายมวนนะจึงจะได้ความรู้สึกเหมือนกันที่เราเคยเสพมันมือนก็ว่าจิตเราเริ่มได้พอจิตมันถูกกระตุ้นเรงมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มได้ มันต้องการอะไรที่ใหม่กว่าเดิมมากกว่าเดิมแปลกกว่าเดิมถ้าเราทําอะไรซ้ำซํำๆกินซ้ําๆเนี่ยมันก็เบื่อนะอย่างเพลงเนี่ยถ้าเราฟังเพลงเพลงเพราะแค่ไหนถ้าเราฟังซ้ำๆกันเนี่ยสิบครั้งยีบครั้งมันเริ่มไม่เพราะละอาหารอร่อยเนี่ยจะเป็นหูฉลามจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่านะร้านที่ทํา อย่างหลุหลนะมิชลินสามดาวกินทีแรกก็อร่อยนะแต่พ้าสมมุตินะเรากินทุกวันกินทุกมือ้อกินทุกมือ้อนะจากที่อร่อยเนี่ยถ้าไปกินบ่อยๆทุกวันเนี่ยมันก็เริ่มเฉยๆแล้วนะนะมันเริ่มเฉยๆแล้วถ้ากินต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะอาจจะเริ่มเอียนละนะอันเริ่มเบื่อก่อนนะจากเฉยก็เป็นเบือ่อถ้ากินต่อไปอีกนะก็เริ่มเอียน แล้วถ้ายังกินไม่เลิส น, นะคือไม่อาจเจียนล้นะของที่อร่อยๆเนี่ยกินบ่อยๆกินบ่อยๆเนี่ยมันเบื่อง่ายนะเอสถึงแม้เราจะมีได้เสื้อตัวใหม่มาเราดีใจแต่พอพออยู่ไปนานๆบางทีมไม่ได้ทําใช้เลยแค่แขวนเอาไว้เนี่ยสักสามเดือนเราก็เบื่อแนละ้วอยากได้เสื้อตัวใหม่นี่คือธรรมชาติของความสุขที่มันเกิดจากสิ่งเรานะก็คือว่ามันจะเบื่อง่าย เพราะจิดมันเริ่มด้านเหมือนกับเท้าเราเนี่ยเท้าเท้าเราเนี่ยเจอเจอของเจอพื้น ส, กสากๆเนี่ยอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะด้านแต่เดินเนี่ยเหยียบนิดเหยียบเหยียบนั่นเหยียบนี่ก็เจ็บแต่พอพอเท้าเราด้านแนละ้วเหยียบอะไรก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียคือว่าอะไรก็ตามที่มันถูกเราบ่อยๆเราบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเบือ่อ มันจะเริ่มด้านนะและถ้าให้เศษของเดิมมันก็จะไม่มีความสุขแล้วมันต้องเพิ่มโดสมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นลึกทำให้แปลกมากขึ้นสุดท้ายคนก็เลยตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าต้องดิ้นรนหาของใหม่ต้องมีสิ่งแสบสิ่งใหม่ๆตลอดเวลามันไม่เกิดความสุดพอใจสักทนะีจิตใจก็เลยว้าวุ่นนะเพราะว่าพอใจเราเนี่ยไม่รู้จักพอเนี่ย เราต้องหาของใหม่วิ่งดิ้นรนหาของใหม่ตลอดเวลาแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รู้จักกับความสุขอีกประเภทหนึงคือความสงบนะความสงบเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนเราก็ต้องการนะไม่ว่าจะเคยเที่ยวสนุกสนานแค่ไหนฝรั่งหลายคนเนที่เขาใช้ชีวิตแบบเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าเขายังขาดไปบางอย่างขาดหายไปในชีวิต นะแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยก็เป็นกันมากขึ้นนะก็คือว่าแม้ว่าจะมีทุกอย่างแม้ว่าจะพร่องพร้อมอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างมันมีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตหายไปจา ก, ก จ, จิตใจมันมีความรูม้สึกโกรกมีความรูม้สึกพร่องความรู้สึก ข, ขาดแล้วคนจำนไม่น้อยก็คิดว่าเป็นเพรายเรายัางมีไม่พอนะเรายัางเที่ยวไม่พอเรายัางสนุกไม่พอนะก็ไปหามาเพิ่ม ไปเศษนะไปบริโภคให้มากขึ้นมันก็สุกประเดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วก็รู้สุกพร่องใหม่คือว่ายัางมีไม่พอก็ไปเอามาอีกไปหามาอีกแต่ก็ไม่เคยรู้สึกเต็มอีกสักทีอันนี้ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีไม่พอนะมันไม่ใช่ว่าเขามีไม่พอแต่เป็นเพราะเขายังสงบไม่พอ <Yeah. S 1> คนเราเนี่ยพอถ้าเกิดสักวันพอรู้ว่าที่เราวาวุ่นอยู่ข้างในเนี่ยมันมีอะไร ร่ำร้องเรียกหาอยู่ข้างในที่ทำให้จิตใจไม่ค่อยสงบเนี่ยแล้ถ้าเรารู้ว่าอ่อนเป็นเพราะใจยังสงบไม่พอนี่บางทีเราจะเห็นเลยนะชีวิตเราจะเปลี่ยนจากการที่ไปตักตวงแสวงหาสิ่งต่างๆมาๆมากมายเราเริ่มที่จะเริ่มหันไปหาความสงบนะหลายคนก็เริ่มนะไปหาความสงบจากธรรมชาติ สาวทิชิตก็มามาเขาใหญนะ่หรือว่าไปที่ที่เราได้แก้ชิกธรรมชาติหรือบางคนก็อยากจะไปเด็กเล่นไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้มันเกิดจากจิตส่วนลึกนะที่ต้องการควาสมสงบคนเราพอมีกินมีใช้แล้วเนี่ยแล้วก็พอมีมีเงินมีทองมีเกียรติยศมีชื่อเสียง แล้วก็มีความสุขสนุกสนานมีความเพลิดเพลินได้เงลินลมแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีบางอย่างที่ยังขาดหายไปในชีวิตนั่นคือความสงบในเดือวนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยนะจำนวนมากเขาก็มานะมาปฏิบัติธรรมเสียเงินแพงๆยอมสละเวลาบางทีเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนเพื่อที่จะได้มาทาสมาธิ ยอมเสียเงินนะอาจจะเป็นเป็นแนเป็นล้านแทนที่จะทำงานหาเงินก็มาเข้าคอสเพื่ออะไรก็เ พ, เพื่อสัมผัสกับความสงบความสงบในจิตใจอาจมาเคื่อตอนนี้เป็นสิ่งที่หลายคนผู้คนแสวงหากันมากนะความสงบนะความสบายก็มีแล้วความสนุกก็มีแล้ว แต่มันยังไม่พอมันยังขาดอะไรไปบางอย่างแลนะพอได้เจอความสงบเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโดนใจบางคนไม่รู้นะจนกว่าจะได้เจอกับบรรยากาศที่มันสงบหลายคนที่มาสุกาโตเนี่ยประโยคแรกนะที่เขาพูดก็คือว่าโอ้ที่นี่มันสงบนะที่จริงมันก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะแต่มันสงบ เมื่อเทียบกับที่ที่เขาจากมาหรือเทียบกับที่ทํา ง, งานของเขาแต่เขารู้สึกว่าโอ้เนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการบางครั้งคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจนกว่าเราจะได้เจอสิ่งนั้นแล้วเราก็รู้เออใชนะ่หลายคนพอมาเจอความสงบแล้วออรู้สึกเออเนี่ยใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่เราขาดหายไป ต, ตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยมาสั่งหาความสงบมากขึ้นนะแต่นี่ความสงบมันจะเกิดจาก เกิดจากอะไรจะได้จากอะไรหลายคนก็นึกถึงว่าจะเราจะสงบได้ต้องอาศัยต้องไปอยู่ในที่ที่มันสงบนะในป่าในที่ที่หลึกลงอย่างไรก็ตามเนี่ยไอสถานที่ที่เราปราถนาเนี่ยนะมันก็เป็นของชั่วคราวนะ เรามาเขาใหญ่เราก็มาได้แค่ไม่กี่วันแต่ท้ายเราก็ต้องกลับไปกรุงเทพเรามาวัดเราได้ความสงบสองวันหนึ่งอาทิตย์แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับไปบ้านแต่ถ้าเราเจอบ้านเจอสิ่งว่าร้อนที่ไม่สงบเราจะทำอย่างไรมันไม่พอนะถ้าเราจะอาศัยความสงบจากสถานที่ เราต้องรู้จักทําความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ความสงบในจิตใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนก็ใช้วิธีการบังคับจิตนะก็คือว่าทําให้ทําไงก็ก็ได้เพื่อให้จิตไม่ไปรับรู้ไม่ไปรับรู้เสียงที่มากระทบไม่ไปรับรู้ข่าวสารนะทางโทรศัพท์มือถือหลายคนก็ไปถ้าไปวัดก็ปิดโทรศัพท์ หรือบางคนก็ตั้งกติกากับตัวเองว่าเสาร์วัิที่ไม่ไม่เปิดโทรศัพท์มือถือจะได้ไม่ได้เห็นไม่ได้อ่านข้อความอะไรที่ไม่ทำให้จิตใจว้าวุ่นหลายคนก็นั่งภาวนาหลับตา อ, อยู่ในห้องแอร์ไม่มีเสียงรบกวนนะไม่มีใครมายุ่งนะไม่ต้องไปทำงาน อันนี้เรวเป็นความสงบที่เกิดจากการตัด ก, การรับรู้นะบางคับจิตไม่ให้ไม่ให้ไปรับรู้สิ่งต่างๆด้วยการบังคับให้มันเพ่งอยู่กับเท้าอยู่กับลมหายใจอยู่ที่ท้องนะอย่างแล้วก็ตามเนี่ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้ตลอดนะถึงแม้ว่าเราจะพบความสงบนะจากการกระทำดังกล่าวเนี่ย แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับไปที่บ้านกลับไปทำงานกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราก็ต้องเจอสิ่งที่กระทบมากมายนะถ้าเราจะใช้วิธีตัดการรับรู้เพื่อจะได้สงบเนี่ยนะพอเราต้องไปรับรู้โ น, โน้นรับรู้นี่เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะหลายคนก็ว่าวุ่นหลายคนก็ห ม, มุดหงิดนะอย่างที่อามาเล่าตัวอย่างนี่ น, ะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทั้งวันจิตใจสบายก็ออกมา จากสาราเนี่ยจากขับรถรากว่ารถนี่ออกไม่ได้เพราะมีคนจอดรถขวางเอาไว้โมโหเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นได้แม้จะรับรู้สิ่งต่างๆหูยังได้ยินตายังมองเห็นนะแต่ว่าใจยังสงบได้ และความสงบมันที่ทาได้นะแต่มายว่าความสมบเพราะรู้แต่ไม่ใช่แค่รู้ว่ามีมีเสียงมากระทบไม่รู้ไม่ใช่รู้เพียงแค่ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรแต่รู้ที่สำคัญคือรู้ว่าใจมันรู้สึกอย่างไรใจมันกระเพื่อมไหมธรรมชาติของใจเนี่ยไม่ว่ามันจะกระเพื่อมแค่ไหนแค่ไหนเนี่ยพอมัน ถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยมันจะสงบเลยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าความโกรธความเศร้าเสียใจนะหรือว่ากามราคะความดีใจความน้อยใจพวกนี้เนี่ยนะมันสามารถจะทำความวา้าวุ่นให้กับจิตใจของเราได้แล้วก็มันก็ฉลาดนะ ในการที่จะรักษาตัวมันเนี่ยให้อยู่อยู่รอดไปได้นานๆเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นนะมันพยายามคองจิตคลองใจของเราให้ได้นานที่สุดมันจะล่อให้จิตของเราเนี่ยออกไปข้างนอกส่งจิตออกนอกนะเพราะอะไรนะเวลาเราโกรธนี่นะโหเราเราจิตใจจะพุ่งไปข้างนอกทันทีนะรถที่ติดเสียงที่กระทบหูคนที่ต่อว่าด่าทอ เื่อร่วงานเจ้านายหรือคนใกล้ชิดที่พูดไม่ถูกหูเราพอเราโกรธจิตมันจะพุ่งไปข้างนอกในตอนนั้นแหละนะที่เราเนี่ยจะโดนความโกรธเล่นงานเพราะแต่แต่ทันทีที่เราหันมาดูใจของเราเราเห็นความโกรธนี่มันคล่องําใจเนี่ยแล้วก็วางมันลง ความโกรธนี่มันก็จะเรียกว่าสิ้นฤทธิ์หมดพิษสมความโกรเนี่มันกลัวกลัวการถูกรู้ถูกเห็นนะกลัวพูดง่ากลัวเรารู้ทันเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าเนี่ยหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้าขาดหลวงปูต่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมัน เมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองยิ่งเราไปกดข่มมันนะมันยิ่งมีกำลังยิ่งกดมันยิ่งมีแรงต้านแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็จะดับไปและความโกรธเนี่ยมันกลัวการรู้ทันมันกลัวเราจะรู้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาในใจเรานี่นะมันจะพยายามล่อให้เราเนี่ยส่งจิตออกไปข้างนอก พอถ้าเราหันกลับมาดูใจเมื่อไหร่นะมันก็จะหมดสภาพนะความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็จะพยายามคลองตีคองใจเราให้นาที่สุดแล้วมันก็จะสั่งให้เราเนี่ยนะนะนั่งเจ้าจุกนะเวลาคนเศร้าเพราะสูญเสีย สูญเสียของรักสูญเสียคนรักเนี่ยก็จะนั่ง จ, จ่อจุกจมอยู่กับความเศร้าความเศร้านี่มันจะหลอกให้ใจเราเนี่ยจมดิง่งเพราะยิ่งจมดิง่งลึกลงไปเท่าไหร่เนี่ยความเศร้าก็จะครองใจเรานานเท่านั้นเวลามีคนมาชวนนะให้ไปนั่นไปนี่เนี่ยคนที่เศร้าๆก็จะไม่อยากไปนะก็จะไม่อยากไป คนที่สูญเสียลูกสูญเสียคนรักนก็จะนั่งจอจุกเพื่อนชวนไปเที่ยวไหนไปนีเพื่อจามาเล่าเนี่ยนะเธอประมาณสักกี่สิบปีที่แล้วเนี่ยสมัยนั้นไม่ไไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่มีไม่มีอ e ีเมลนะเธอก็ได้จดหมายจากเพื่อนชายซึ่งเธอรักแต่แต่เพื่อนชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีใจกับเธออย่างนั้นพอขนาดจดหมายเธอก็เศร้าเธอก็ซึม ก็ซุนอยู่พักใหญ่นะจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยกลุ่มใหญ่เนี่ยมาหามาที่บ้านบ้านปิดก็เลยกดกรีดแล้วก็เรียกเธอบอกว่าเนี่ยจะชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวนะเธอฉุนขึ้นมาเลยนะแทนที่ดีใจกับฉุนนะในใจนี่มันนึกเลยเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังนะเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกนะ เราเป็นอย่งน้จริงก็อ่ะนะเวลากวดเวลาเศร้านี่นะใจมันจะจมอยู่ความกวดความเศร้ามันไม่อยากจะทําอะไรอ่ะนะและอารมณ์พวกนี้มันจะสั่งเรานะสั่งเราบงการเราเพื่อที่ใจเราเนี่ยจะได้อยู่กับหรือจะได้ถูกอารมณ์นั้นคล่องนานๆนะเช่นเพื่อมาชวนไปเที่ยวความเศร้ามันจะสั่งเราว่าอย่าไปอย่าไปนะขอให้เศร้าต่อไปใช่ปะ พราะถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยความเศร้าจะหายมันไม่ชอบเนี่ยความเศร้ามันไม่ยอมถ้ามันจะต้องอยู่ให้ได้นานๆมันมันก็เป็นสิ่งมีชิตอย่างหนึ่งความเศร้ามันจะสั่งว่าอย่าไปอย่าไปนะพอมีเพื่อนมาชวนเนความเศร้ามันจะสั่งให้เราโกรธนะความโกรธก็เหมือนกันนะเวลาโกรดนี่นะมันก็จะพยายามมาข้าให้ใจเราจมอยู่กับความโกรธพยายามขุดคุยค้ยนึกถึงความไม่ดีของคนนั้นคนนี้ นะเพื่อเราจะได้โกรธมากขึ้นบางทีเราไม่พอใจเพืเรื่องเดียวนะแต่พอเราโกรธแล้วนะเราจะเริ่มขุดคุ้ยความไม่ดีเข้ามาสองสามสี่ห้าหกเห็นแต่ความไม่ดีเข้าหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้โกรธนานขึ้นจะได้โกรธแรงขึ้นนะความโกรธมันสั่งเราให้ไปขุดคุ้ยความไม่ดีเข้ามาแล้วเวลาพอมีคนนะมีคนมาแนะนำให้เราให้อภัยคนนะ เรากับโทษคนนั้นนะเรากับโกรธคนนั้นนะว่ามาชักชวนแบบนี้ได้ยังไงมีอาม่าคนนึ้เจนะ็ดสิบแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ น, นิสัยดีพูดจาก็สุภาพเสียงเบาๆแต่เวลาพูดถึงผู้ชายคนนึงจะโกรธมากเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย แกเคยช่วยแล้วก็กลับทรยศนะนอกจากไม่มีความสำนึกในบุญคุณของแกแล้วก็ยังอากตันอยู่ถามว่าเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่30สปีแล้วนะแกก็ยังโกรธอยู่พอนึกถึงผู้ชายคนนี้โดยทีใครพูดถึงผู้ชายนี้แกจะโกรธมากลูกสาวเนี่ยนะก็กลัวว่าแม่เนี่ยจะเสื่อในสมองแตกแล้วก็ที่กลัวมากคืกลัวว่าตายแล้วจะไปอบายก็คือว่าถ้าตายแล้วเนี่ยยังมี จิตคิดปยบาบาทเป็คนนั้นเนี่ยก็คงจะไปไม่ดีลูกสาวก็ขอให้แม่เนี่ยให้อภัยขอร้องว่าให้อภัยก็ไปเถอะแม่โกรธลูกสาวนะโกรธลูกสาวเหมือนกับว่าลูกสาวกำลังกำลังจะมาขมโมยของรับของห่วงไปจากแม่ไอ้ความโกรธที่มันน่ารักน่าหวงน่าแหนาที่ไหนใช่ไหมไม่น่าหวงเลยแต่ความกลรธมันสั่งให้อาม่าเนี่ยว่าลู ก, ลกว่าลูกสาวความกลรธมันสั่ง เพราะว่าถ้าเชื่อตามลูกสาวความโกรธก็สูญหายฟอ้อเนี่มันฉลาดนะมันมีอุบายเยอะมากนะความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดีมันจะมีอุบายเพื่อที่จะหลอกล่อให้เราเนี่ยจมอยู่ในความโกรธมากขึ้นจมอยู่ในความเศร้ามากขึ้นรวมทั้งอารมณ์เหมนได้เช่อความสุกผิดนะความอยากก็เหมือนกันนะเวลาอยากขึ้น ม, นมันจะสรรหาเหตุผลร้อยแปดเลยนะว่า ทำไมเราจะต้องมีหรือได้สิ่งนี้นะถ้าไม่ได้นี่โอ้โหจะโลกจะแตกฟ้าจะถล่มนะแต่อารมณ์พวกนี้เนี่ยนะถึงแม้มันจะเก่งแค่ไหนมันจะอุบายยังไงเนี่ยจุดหนอนเขา้ามาก็คือมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นนะหมายค่ะว่าถ้าเรารู้ทันมันเนี่ยมีสติรู้ทันเนี่ยมันก็จะฟอไปเลยไม่จะเป็นความโกรธไม่จะเป็นความเศร้า ความอยาเพื่อตามามีลูกสาวนะตอนนั้นลูกสาวยี่สิบสองวันหนึ่งลูกสาวก็กลับจากโรงเรียนเข้ามาบอกแม่แม่อยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งน้ำเสียงของรูกนี่อยากได้มาก เ, เป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรหรือเดีย๋ยว ก, ก็ตอบเป็นไมโครโฟนพอกดแล้วมีเสียงดัง ยีสิปีที่แล้วนี่นะมันก็ของเล่นของเด็กก็มีแค่นี้แหละสมัยนั้นโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือยังไม่เกิอนนะเด็กก็อยากได้ไมโครโฟนแม่ก็ถามว่าเท่าไหร่เด็กตอบว่าสี่ร้อยบ้านนี้เนี่ยขเขาค่อนข้างจะมัธยัติยแล้วเขามีวินัยในการสอนให้เด็กเนี่ยมีวินัยในการใช้เงินสําหรับครอบครัวที่สี่ร้อยถือว่าเยอะเด็กก็อยากได้แม่จะทํำยังไง จะไม่ให้เลยมันก็คงไม่ดีแต่จะให้เนี่ยมันก็ดูง่ายไปก็เลยบอกกับเด็กว่าเนี่ยถ้าหนูอยากได้ก็ได้นะแต่ว่ามีเงื่อนไขสองข้อนะข้อที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องแม่จะหังนเงินหนูวันละครึ่งหนึ่งจก็ยอดใส่กระปุกจนครบสี่ร้อยข้อที่2เนี่สำคัญนะบอกว่าเนี่ยทุกทุกเจ็นเนี่ย เวลาหนูจะกลับบ้านนะก็แวะที่ร้านเนี่ยแล้วก็ดูของชิ้นนั้นแล้วก็ให้ดูใจด้วยนะให้สังเกตความอยากของตัวเด็กก็โอเคนะก็ทำตามที่แม่บอกทุกวันพอถึงวันที่สี่เด็กก็มาบอกแม่ว่าแม่หนูไม่เอาละไมโครโฟนเนี่ยเอาทำไมอ่ะเบื่อเนียเบื่อ เห็นมันทุกวันทุกวันแล้วก็มาดูใจด้วยพอมาดูใจเนี่ยนะไอความอยากเห็นความอยากความอยากก็ค่อยหมดไปเจกบอกแม่ว่าเนี่ยเสียดายเงินสิแล้วเอาไปซื้อยางอื่นดีกว่าคือนี่ไงพอเราถ้าเราสังเกตอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสงบและตรงนี้เนี่ยที่มันทำให้เรามีความ ความสงบได้แม้ว่าเราจะอยู่ตายในที่ต่างๆที่มันวุ่นวายมีเสียงกระทบนะมีผู้คนไม่น่ารักอยู่ใกล้ตัวหรือว่าอยู่รอบตัวเจ้านายนะไม่เป็นธรรมนะหรือว่าลูกน้องนี่ก็ดือ้อเนะเราก็ยังสามารถจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมนี้ได้โดยที่ใจเราเนี่ยสงบนะสงบเพราะรู้ทันรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น เนี่อยากจะแนะนำความสงบแบบนี้ให้เราได้รู้จักนะและต่อไปนี่นะมันจะไม่ใช่สงบเพราะสตินะต่อไปมันจะสงบเพราะปัญญาสงบเพราะปัญญาปัญญาที่เข้าใจความจริงของชีวิตว่ามันไม่แน่นอนมันมีขึ้นมีลงเวลาสูญเสียแต่ก่อนก็เศร้าโศกเสียใจนะหรือเวลาถูกต่อว่าด่าทอก็โกรธแต่พอเราเห็นมันเป็นธรรมดา มันก็จะวางได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นช่างไฟฟ้าอายุก็ยังไม่มากทัสามสิบต้นๆนะมวันหนึ่งประกอตเกิดฏติเหตุสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันไปถูกไปถูกที่ขาแกต้องตัดขาสองข่าที่การตลอดชีวิต หลังจากนั้นไม่นานนะภรรยาก็ทิ้งแกไปเรานึกภาพ น, นะคนที่พึ่งสูญเสียขานะแทนที่จะหวังพึ่งภรรยาปรา ก, กว่าภรรยาก็ทิ้งจะรู้สึกอย่างไรมีคนถามผู้ชายคนเนี้ยคุณรู้สึกอย่างไรนะที่ภรรยาทิ้งคุณไปจะ ต, ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยคิดดูซิไอขาสองข้ามานันยังไม่อยู่กับผมเลย จะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะคือแกไม่ได้ปัญญาแกไม่ได้คิดเนี่ยตอนที่เสียขาเนี่ยมันก็คิดว่าโอ้ขาเนี่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะเราไปยื่อเป็นขาของเราเนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ของเราเลยถึงเวลามันก็ไปแล้วถ้าไม่ยอมให้มันไปเนี่ยเราเดือดร้อนนะคือขาเน่าขาเสียนะถ้ายังหวงยังแหยว่านี่ขาของกูขาของกูนะเอาไปไม่ได้นะตายนะเลือดมันติดเชือ้อ ไอ้เซติดเชื้อในกาษาเลือกเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าต้องการมีชีวิต อ, อยู่ก็ต้องตัดขายอมสลักการที่แกได้เห็นความจริงว่าเนี่ยว่าขาไม่ใช่ของเรามันก็ทำให้ตอนที่พอรู้ขาว่าภรรยาทิ้งไปแกก็แกก็ไม่ทุกข์แกก็สงบได้เพราะได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอันนี้คือปัญญานะ ปัญญาที่ทำให้เราได้ทำให้เราปล่อยวางเมื่อเกิดความสูญเสียเกิดความพัดพลาดอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราจะต้องพัดพลา จ, จากของรักของชอบใจทั้งนั้นคนเราในบางคนเนี่ยยังชีวิตยังมีความสุขได้ถ้าชีวิตเนี่ยจิตใจมีความสุขได้ถ้าชีวิตเนี่ยมันโอเคเลิศเล e เพอร์เฟกถ้าทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นเนี่ยจรงจะมีความสุขหรือมีความสงบในจิตใจ เพราะว่าเช้นนี้ยังวางใจไม่ได้เพราะถ้าเกิดมันไม่ผิดเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันไม่มันไม่เป็นเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะทุกข์ขึ้นก็นได้ในสารพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อนางเวเทหิกาเป็นนางพรามณีก็คือร่ํารวยเนี่ยมีบริษัทบริวาร น, นางทาสีนี่เยอย ะ, แะแยะแล้วแกก็มีความสุขสบายใจว่าแล้วแกก็หลงเวลินชั่วนี้ที่สุขสบายใจเพราะว่าปฏิบัติดี แกก็คุยนะฉันก็ฉันปฏิบัติดีฉันไม่มีความสุขสงบไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยวันหนึ่งเนี่ยนะนางทาสีเนี่ยหรือคนใช้เนี่ยอยากจะทดสอบว่าเธอปฏิบัติดีจริงรึเปล่าก็แกล้งนอนตื่นสายวันนอนตื่นสายเนี่ยนะอะไรต่างๆที่มันต้องทำตามระเบียบเนี่ยมันก็ผุกขลักไปหมดเลยก็โกรธขึ้นมาเลยนะดา น, นางทาสีองนี้เสี ย, สยใ ห, หายเลย นางทางศิลก็เลยพูดให้แกได้คิดว่าเนี่ยที่แกคิดว่าแกสุขสบายเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะตัวเธอปฏิบัติดีหรอกนะแต่เป็นเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยราบรื่นนะแต่พอบางสิ่งบางอย่างไม่ราบรื่นขึ้นมานลนอตหลุดอารมณ์เสียเล ย, เ น, ยนี่ขนาดแค่คนใช้ตื่นสายนะถ้าเกิดว่าของหายบ้านไฟไหม หรือคนรักตายเนี่ยจะแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่า น, นี่มันเป็นธรรมดานะความสูญเสียเป็นธรรมดานะพอมันเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์ใจก็สงบได้อันนี้เราสงบเพราะรู้นะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่รู้ทันอารมณ์แต่รู้ซึ้งถึงความจริงพอรู้ซึ้งความจริงแล้วเนี่ยสูญเสียอะไรไปใจก็ยังเป็นปกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาเื่อนถ้าเราต้องการความสงบในจิตใจนะไอการฝึกสติและปัญญาเนี่ยสำคัญมากนะมันจะช่วยทำให้เราอยู่กับกับโลกที่มันไม่แน่นอนที่มันผันผวนปวนแปรโลกที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยได้นะอย่างปกติพราะคนเราเนี่ยนะมันก็ต้องเขื่อใจนะว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตเราเนี่ย พวเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในช่วงของชีวิที่มันมีความสุขนะมันมีความราบรื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งอาจจะเกิดความขุขักขักไม่ราบรื่นขึ้นมาที่เคยมีกําลังวังชาก็ไม่มีกําลังวังชาที่เคยเดินเหินได้ก็เดินเหินไม่ได้เพราะเป็นนํำมาพุ่งมาพาที่เคยสุขภาพดีก็เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาถึงตอนนั้นเนี่ยน ะ, ะถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้นะ จ, จิตใจมันก็จะเป็นทุกข์วิตกกังวลนะหรือว่าตีโพยตีพายหมึหนงีขัดเคืองใจแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดานะถึงมันเกิดขึ้นเราก็ปกติแา้กระทั่งเวลาความตายมาประชิดตัวเราก็ไม่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรารู้ว่านี่คือธรรมดาของชีวิต การรู้ความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยสำคัญมากควบคู่แบบการรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอาัตะมาก็กล่าวพอสมควรนะพอไปสังเกตเผ่ออาจจะมีประเด็นให้พูดคุยกันได้มีใครสงสัยมะมคำถาม คือพุทธศาสนานจะสอนสองอย่างนะคู่คู่กันก็คือทำจิตแล้วก็ทำกิจนะท่านจะสอนสองอย่างคู่กันตลอดเวลาสอนเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยที่หนึ่งท่านจะสอนว่าเมื่อชีวิตไม่แน่นอนจะต้องรีบคุนขวายท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะ หรือท่านทั้งหลายตรงทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ก, ก็คือว่าต้องเร่งทำนะต้องรีบผลขวายต้องมี action. แอคชัน่นในบางครั้งเนี่ยท่านเวลาท่านพูดถึงความไม่เที่ยงเนี่ยความตายเนี่ยท่านจะสอนให้ปล่อยวางอันธิาการวัดสังขาราน่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อม เสื่อไปมีแล้วดับไปเป็นธรรมดาความสงบร่งรับแห่งสังขารเหล่านี้เป็นสุขอย่างยิ่งก็คือปล่อยวางอันนี้เป็นเรื่องการทำจิตนะครับพุทศาสนาจะสอนสองอย่างคู่กันสอนให้มีเมตตาก็คือทำจิตส่วนทำจิตก็คือว่าให้ทานแล้วก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วพูงปล่อยวางนี่นะท่านจะหมายถึงการทาจิต แต่การทำกิจก็ยังต้องทำต่อไปเช่นไม่สบายเป็นโรคป่วยก็ปล่อยวางปล่อยวางในร่างกายนี้เพราะร่วมันไม่ใช่ของเรานะก็ไม่ทุกไม่ร้อนกับความเจ็บป่วยแต่ต้องทำกิจ ด, ด้วยคือต้องรักษารักษารักษาโรคบ้านเนี่ยนะหลังคารั่ว กำแพงสุดเราไม่ทุกข์ไม่วิตกกังวลเพราะเราทำจิตดีนี่เราปล่อยวางแต่เราต้องซ่อมนะนเรื่องสังคมเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเออมันมันเป็นธรรมดาความวุ่นวายนะอ่านสามก๊กมาเนี่ยมันก็เห็นแล้ววนะ่ามันเป็นธรรมดามาก บ้านเมืองเกิดสึกสงครามแตกแยกแล้วแล้วก็มา ส, สงบสมัคคีแล้วก็แตกแยกอีกมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าอะไรที่เราทำได้เราก็ทำอะไรที่ช่วยทำให้เสร็จทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นก็ทำเนี่นั้นคนส่วนใหญ่นี้เข้าใจเรื่องปล่อยวางในพุทธศาสนาไม่ถูกต้องแม้แต่พระเองก็เหมือนกันนะหลวงพ่ อ, อชาท่านเล่าว่า มีขาวหนึ่งเนี่ยนะมันมีพายุมีลมแรงกุฏิสมัยก่อนที่วัดหนองประพง์เนี่ยมันก็ทาด้วยมันก็ใช้ใช้ยาคามุงหลังคานะบางกุฏิก็เป็นเพิิงก็มีกุฏิหลังหนึ่งเนี่ยนะก็โดนโลมพัดไปหายไปครึ่งหนึ่งนะหลังคาแต่ว่าพระในกุฏินั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยท่านก็ปฏิบัติของท่านไป เวลาฝนตกท่านก็ต้องกลบหลบฝนที่มันรั่วที่มันสายเข้ามาทางหลังคาหลวงพ่อชาก็ถามว่า ท, ท่านทําอะไรทําไมไม่ซ่อมท่านก็บอกว่าพระก็ตอบว่าผมกําลังฝึกปล่อยวางครับหลวงพ่อชาก็เลยบอกว่าปล่อยวางมันต้องใช้ปัญญาไปว่าแบบพุทธไม่ใช่วางเฉยแบบบนแบบควายฉะน้นต้องเข้าใจปล่อยวางเนี่ยกับ กับวางเฉยไม่ทําอะไรเนี่ยปล่อยไแล้วเลยเนี่ยไม่ถูกมีตัวอย่างหนึ่งที่ธรรมาที่ว่ามันสื่อเรื่องนี้ได้ดีนะมันมีเรื่องเล่าของคนพูทานเนี่ยคนที่เล่านี่ก็เป็นประลัดกระทรวงตอนที่ก็เป็นเด็กสิบขวบเนี่ยนะที่บ้านเนี่ยมันมีหนูเข้ามาอารวาดมากัด ผงเนี่ยที่ใส่ข้าวโพดหรือว่าใสายข้าวเนี่ยเจ ก, ก็หูดหงิดลำคาญก็ไปบอกยายยายก็เฉยๆนะแต่ว่ายายไม่ได้คือยายก็ไม่ได้มีอาการบวยวายอะไรแต่สิ่งที่ยายทําก็คือว่าเริ่มทํากับดักนะยายไม่ได้ทุกร้อนนะอันนี้เราทําจิตแต่ว่าไม่ได้ไปฝ่าแล้วเลย ทำกิจก็คือว่าหาทางดักจับหนูการดักจับหนูของภูฐานก็ง่ายๆเอาเข้าวมาก้อนหนึ่งวางไว้บนไม้แล้วก็มีหม้อหม้อที่ยกขึ้นมาแล้วก็เอาไม้ซี่ไม้ค้ำเอาไว้ใช่ไหมก็หวังว่าไอ้หนูเนี่ยพอมากินกินกินมันจะชนมันจะชนซี่ไม้แล้วก็ หม้อดินก็จะคว่ำนะขังหนูตรงนั้นวันแล้ววันเล่าหนูมันก็ไม่หลงกลนะหนูก็มาเอาข้าวไปเด็กเนี่ยนะก็โวยวายไม่พอใจแต่ยายเนี่ยเฉยมากเลยยายแกวางกับตากเสร็จแกก็ไปทำโน่นทำนี่ หนูจะมาหนูจะมากินหรือไม่กินจะจะติดกับดักหรือไม่เนี่ยยายแกก็ดูเหมือนก็ไม่ค่อยสนใจใช่ไหมเป็นอย่างนี้สามอาทิตย์นะแล้ววันหนึ่งเนี่ยหนูเนี่ยมันก็พลาดมันก็ไปชนซีไม้มันก็ถูกขังอยู่ในหม้อดินเด็กก็ดีใจ ไปตะโกนบอกขึ้นบ้าน่าจําหนูได้แล้วแต่ยายก็เฉยนะยายก็ทำโ น, น่ทนทำนี่ไปหุงข้าวนะทอผ้าไปจนกระทั่งเสร็จทุระยายแกก็เอาแกก็ยกไอ้กับตังเนี่ยยกแผ่นไม้เนี่ยทูลหัวแล้วกกก็เดินเข้าไปในป่าเดินไปสองชั่วโมงนะจนไปถึง ต้นไม้ที่เป็นต้นโอ๊กที่มันมีรูปดกตกลงมาเยอะๆก็มีกระรอกมีอะไรมา ก, กินตรงนั้นแหละที่แกปล่อยปล่อยหนูให้มันได้กินที่ที่อุดมสมบูรณ์เดินทางเนี่ยสองชั่วโมงไปกลับก็บกบสี่นะคือดูพฤติกรรมของของยายเนี่ยจะมาว่าแกมีความปล่อยวางแกทำจิตและทำจิตนะก็คือว่าเวลารู้ว่ามีปัญหาแกก็ไม่ได้เอะอโวยวาย แต่แกก็ไม่นิ่งดูดัแกก็จัดการแก้ปัญหาระหว่างที่ปัญหายังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังแก้ไม่เสร็จหนูยังไม่ติดกับดักแกก็ไม่ทุกร้อนอะไรนะรอจนกระทั่งในสุดเนี่ยสำเร็จระหว่างที่แกรอให้งานสำเร็จนี่นะแกก็ไม่ทุกร้อนก็คือว่แกทาจิตใช่แกไม่ขุดหมุนหงิด ไม่ได้เครียดเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จควเราเวลาทางานเนี่ยนะทำไปก็บนไปเมื่อไหร่จะเสร็จไม่เสร็จสักทีแต่ยายแกก็ไม่ทุกข์อะไรพอจําหนูได้แกดีใจนะึกแกก็เฉยๆอันนี้เรปล่อยวางนะนะปล่อยวางปล่อยวางผลปล่อยวางความสำเร็จปัญหาก็แก้งานก็ทำสำเร็จแต่ว่าใจไม่ทุกข์ แล้วตมาคิดว่าคําว่าปล่อยวางเนี่ยต้องเข้าใจถูกนะยายนี่แกปล่อยวางตลอดเลยนะแต่แกแกก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะเนีย่ยตะมาคิดว่าเนยเวลาทํางานหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยก็ให้มีทั้งสองอย่างให้ได้ปสานกันคือทําจิตและทํากิจเนะี่ยมีใครถามไหมฮะ เหมือนกันก็เราก็ไม่เราไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญไม่หัวเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าอะไรที่ควรทำเราก็ทำอะไรที่เราทำได้เราก็ทำอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำไปทำอย่างอื่นที่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้ ด้านก็คอเรื่องของการป่อยวางและการป่ต่างเลยันนี้เรื่องส่วนเดวเรื่องสังคมในประเทศอ่ะคุณคุยถามเรื่องการเรือใช่ไหมคะว่าเราจะทำตัวยังไงอย่างไนะคะว่าเราใช่ว่าเราจะจะเรีารประจนเื่องถ้าอยางเรื่องการว่าเราควรจะวังใจยังไงใช่ไหมครับอาจารย์ควรทำอย่างไรควรจะทาอย่างไรว่าการเรือเป็นแบบนี้ที่คุณคุยถามคือที่คุณ คือชอบหรือไม่ชอบเพราะในใจใจที่ถามว่าการเมืองหรือว่ายัางไงนะคือคือที่ผ่านมาคือคือผมก็ผ่านในวงการสายก่อนค่ะเวลาเวลาผ่า เจนาว้มันสมควรที่เราจะไปทอะไรอีกหมคือตอน้ก็มองให้ทาจิตแล้วก็ทากิจ ด, ด้วยทาจิตก็คือว่าเราไม่ทุกข์ไม่ร้อน<ะ>เราไม่เราไม่ประสาทเสียกับเหตุการณ์บ้านเมือที่เกิดขึ้นแต่ว่ามีอะไรที่ควรจะทาหรือทาได<ะ>้เราก็ทำนี่เราทาจิตแล้วก็ทากิจคือถึงกุกรรมอะนีนน้มันก็จะมีประเภทคนชอบแล้วกับคนไม่ชอบถูกครับอาจารย์ใช่ไห คุณไม่ชอบบังจิตยังไงแล้วคนชอบบังจิตยังไงไคือชอบหรือไม่ชอบมันก็ทุกทั้งนั้นแหละเพราะว่าไอสิ่งที่เราชอบ <c oughs> ชาวบ้านมึงก็เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใช่มไหมคะแล้วเนี่ยต้องต้องคือต้องมองว่ามันเป็นธรรมดาของบ้านเมือง น, นะไม่บงังจิตว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบกันแล้วแต่มันเป็นธรรมดาของบ้านเมืองนะแล้วก็สองคือว่าปัญหาจริงมันไม่ได้ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกยังไงกับมันนะ ความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองแต่เกิดขึ้นเพราะใจของเราไม่คิดเองไม่ชอบกั บ, บสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับที่อยตัวอย่างาลิงนะลิงเนี่ยปัญหามันไม่ได้ที่กะปีปัญหาที่มันเกลียกระปี<า>ถ้าไม่มีความเกีียกระปีอยู่เนี่ยมันก็ต้องเบื่อทุกครั้งเนี่ยเวลากระปีมาใช่มปรดขอยังห่าอาจารย์ได้ว่าสมัยพิศกามีมรสยในัยพระอิศรางวัลบ้าน แต่นี่ทำไมไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้อ่านนะแล้วตมาไม่เคยได้อ่านว่ายังไงรังๆนะว่าไปไปไปไปมีพยานให้ของจากที่ในหลวงรัชาลที่8นะคับเดียวกันว่ามาให้ยานให้สนับสุนไม่เคยได้ยินเหมือนกันเออนี่เป็นเรื่องใหม่เพราะตมาไม่เคยอ่านเพรอว่าพยายามให้คนดีมาบกว่าเนี่ย แล้วก็ผมครั้งแรกได้หนต้อนแล้วไม่ท่าทอะไร่าวเรากง้กนก็เลยเมว่าจะไก็จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบไม่เกี่ยวก็มันก็จะเป็นไปตามมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แหละนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยตมาก็ เราก็ต้องยอมรับข้อจํากัดของเรารนั่นว่าไม่ว่าเราจะทุ่มเทยังไงไปเนี่ยถึงแม้จะยอมตายเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันก็จะมันก็จะสูญหายไปกับกาลเวลายกตัวอย่างเช่นกวนอูเนี่นะโอยอมตายยอมตายเพื่อเพื่ออะไรเพื่ อ, เ พ, อ, เ, พอเพื่อจก ก, ก, ก็เนี่ยนะแต่สุดท้ายมันก็ถูกกลืนหายหายเป็นอากาศสาทธ หลายคนยอมตายเนี่ยเพื่อ ง, งอกกกนะพวกสุดกวนใช่ไหมะนะแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประวัติศาสตร์กลายเป็นอดีตไปสุดท้ายก็ถูกกลืนสลายหายไปออใช่ไหมคนที่ยอมตายเนี่ยเพื่อคอมมิวนินสต์รัสเซียเนี่ยเป็นล้านนะสมัยเลนินสมัยสตาลินเนี่ยโอ้โหเาคุ้มเทมากนะแล้ววันดีคืนดีรัฐบาลบอกเลิกแล้วไม่เป็นคอมมิวนิสต์ละ แราบอกความนี้เลิกคุณจะตายฟรีไปแล้วจะมองอย่างนั้นก็ได้อ่ะมันคือมันไม่ตายฟรีหรอกนะสิ่งที่ทํามีประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่ทําเนี่นะมันจะไม่มีผลยั่งยืนผลมันจะไม่ยั่งยืนคุณตายคุณเอาคุณไปตายเพื่อเพื่อรักษางอกก๊กเอาไว้เพื่อรักษางอกก๊อกเอาไว้นะเนี่ยพวกพวกนะของพวกรอบเล่าปีนี่นะโหยอมเสียคนไปคนพักจำนวนมากและสิ่งที่เขาทานี่นะ ไอ้งอกในสุดก็ไอจอกโก้ในสุดก็ไปนะก็ถูกเรือ <ไป S 1> เร่อนหายไปตาปราศาสตร์ในเวลาแค่ไม่ถึงไม่ถึงชั่วไม่ถึงสองชั่วยุคคนก็เป็นอดีตไปแล้ว<อ>แล้วคนดีๆคนเก่งๆตายไปเป็นมห ah าศาลเนี่ยนะ<ม>พวกนี้ก็คิดว่าทำเพื่อชาติในชะ่ทำเพื่อส่วนรวมแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ผลเพียงแค่ประเดียปรนะดาล้วผู้ที่ตายเพื่อสิตุลานี่นะโอเคนะ ก, ก็เสียสละนะ แต่ว่าสิ่งที่เขาทานี่นะมันก็จะมีผลไม่ยั่งยืนหรอกเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันเปลี่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทํานะแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทํานี่นะมันจะไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่แต่ต้องทำนะต้องช่วยเราสมาชิรักษาป่าเนี่ยสมาชิกก็ไม่รู้นะว่ารักษาป่าสมมุตินนะรักษาไปาเนี่ยนะจนกระทั่งมันเขียวบริบูรณ์นะสักสี่ห้าพันไร่เราก็ไม่รู้อีกสิบปี้งหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาหรือร้อนหรือเปล่ า, ลาเห็นว่ากัรท่าน นั่งอยู่การป่าที่ไฟไหม้อ่ะค่ะในลที่ที่ไฟไหม้ที่ที่วัดนะคะที่ทีลงนัอยู่บหมดเลยคือตมาก็ทำด้วยด้วยความสังวรอยู่เสมอนะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันจะสูญเปล่าไปในวันหน้าเมื่อไหร่ก็ได้ทําไปเนี่ยแล้วป้องกันไฟปล่าได้สิบปีนะไฟไม่ค่อยเข้ามาเลยนะพอปีที่แล้วมันมาทีเดียวนะหมดเลยนะก็ทําใหม่แค่นี้นะ แต่เราต้องรู้นะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะมันดีก็จริงนะแต่ว่ามันจะยั่งยืนเท่ไหนเราไม่รู้หรอกแต่ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้เราทําอะไรเท่าไหร่เราทําได้เราก็ทําแต่แล้วเราก็อย่าทําแบบทุ่มเทจนจนลืมตัวเพราะบางทีไอ้สิ่งที่เราทําอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้ไอ้การยึดความถูกต้องเนี่ยมันทีก็ต้องระวังนะตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติเนี่ยขับนั่งขับรถเนี่ยนั่งรถเนี่ยด้วยความเร็วสูงขับรถนะ บอกว่าขับรถอยู่ดีดเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันมีรถที่สวนมาเนี่ยมันวิ่งมาคล่อมเลนเรามันผิดไหมแล้วเราควรจะควรจะวิ่งต่อไหมเราบอกว่าฉันถูกเลนแต่มันผิดเป็นหน้าที่ของมันต้องหยุดนะเราไม่หยุดเพราะเราถูกไงใช่ไหาเราไม่หยุดแล้วก็เราถูกใช่ไหมคิดแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่หยุดแต่เราก็ชนใช่ไหมเราเป็นฝ่ายถูกใช่ไหม แต่ตายแล้วคุ้มไหมเราถูกใช่ไหมเราขับแล้วถูกเลยเนะี่ยแต่เราตายอะ่ะแล้วไม่ใช่เราตายคนเดียวบางทีพ่อแม่ที่มาลหลังเราด้วยไม่รู้ย่อยเนื่ยตายด้วยเนี่ยเนี่ยยึดติในความถูกต้องเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้ปัญญาในบางกรณีก็ต้องหลบใช่ไหมเราผิดนะ่ะไอ้เราถูกแต่เราต้องหลบอะ่ะเพราะจะไรไม่หลบเราตายแล้วคนที่พามากับเราก็ตายด้วยนม่ใช่บอกว่าฉันถูกต้องฉันไม่หลบ อัตมาก็ไม่เอานะเ่ความที่เขาพูดก็บอกว่าเราอันนี้ไม่ถูกบอกว่าเราจะเป็นผู้อ่านปวัาสตรหรือว่าจะเป็นผู้ ส, สร้างปวัติศาไรอย่างน้นคือมันก็คืออัตมา ก, ก็ไม่ได้ความคิดแบบนี้มันก็มีอัตตาอ ย, อยู่เหมือนกันนะว่ากูจะต้องสร้างปวศาสตรใช่ไหมก็ต้เป็นคนสำคัญอัตมาว่าไม่ต้องคิดเรื่องสร้างปวสตาส์แค่แค่ทำพาวติ้งต้องให้มันเกิดขึ้นก็พอ ทำได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วถ้าเราถ้าเราทําถ้าเราใช้สติปัญญารวมกลุ่มกันบางทีก็อาจจะเกิดอาจจะสร้างบทบาทก็ได้<ม>และการสร้างบทบาก็ทําได้ไหลายแบบสตีฟจ็อกก็สร้างบทบาทใช่ไห ม, มการที่เขาผลิต iPad iPod เนี่ยมันก็เป็นการสร้างบทบาทอย่างหนึ่งใช่ไห ม, มแต่ว่าบางทีก็ต้องใาศสติปัญญาที่ที่แหวกแนวคน อ, อคื่นแล้วก็ความบ้าบิ่นด้วย อันนี้อาจาเห็นด้วยคือเราต้องธรรมาชอบที่อาจารยพุทธะบอกเนี่ยชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์คือว่าเราจะไม่อยู่เฉยเนี่ยเราจะต้องพยายามสร้างสารรค์ส่วนสร้างสารรค์แล้วมันกลายเป็นปวามรสรั่นอยู่ไม่ก็เป็นเรื่องของคนรุ่นหลังเขาจะจารึกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทําดีเนี่ยเขาก็จะต้องจารึกเองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราได้ทําได้สร้างสารรค์เอาไว้แต่ถ้าเขาไม่จารึกก็ธรรมดาเพราะว่าคนเราเนี่ย ไม่ว่าเก่งแค่ไหนดังแค่ไหนสุดท้ายก็ถูกลืมนะแต่คนเราทุกวันนี้เนี่ยนะจะพยายามที่จะทําตัวไม่ให้ใครลืมเนี่ยนะใช่แต่สุดท้ายก็ต้องถูกลืมนะอาจจะพันปี้างหน้าผู้เจ้าเนี่ยมีหลายพระองค์ผู้เจ้านี่มีหลายพระ อ, อ, อ, องค์มาก่อนหน้าเนี่ยแต่คนก็ลืมไม่ใช่嘛 เราก็ได้แต่ได้แต่ฮะนั่นไงสุดท้ายก็ถูกลืมไง <c oughs> เออนั่นแหละไม่ร้อยก็พันไม่พันก็หมื่นก็ต้องถูกลืมกันได้นะ <c oughs> อาาเช่เรามีวิธีเตรียมตัวก่าตายนะครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับที่ถูกต้องยังไงก็เงครมันก็มีอยู่3วิธีใหญ่ๆนะ 1. นึ่ทำความดี นะแล้วก็รวมทั้งไม่ทําชั่วด้วยทําดีแล้วทําชั่วนี่นะคู่กันนี่บางทีมันก็ตายไม่สงบนะเพราะมัตอนก่อนจะตายยินึกถึงความชั่วที่ทําใช่ไหมไอ้ความดีไม่นึกมันนึกถึงแต่ความชั่วคนบางหลายคนคนค น, คนเวลาจะตายเนี่ยพอนึกถึงความชั่วแล้วจิตใจก็เศร้าหมองนะพอเศร้าหมองก็ตายไม่ดีสองต้องรู้จักปล่อยวางทําดีแต่ไม่ปล่อยวาง นะอย่างที่อาตมายุตัวอย่างเนี่ยโยมคนนึงจะตายอยู่แล้วนะแกก็นึกถึงโบสถ์ที่แกยงสร้างไม่เสร็จแกก็กระตุกกระสับกระส่ายนะลูกหลานให้ฟังเทปธรรมมาพระสมบุ์ไม่สงบเลยจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยสร้างให้เสร็จเพอาะเพื่อนนี่แกงสงบเลยแกห่วงเรื่องโบสถ์ไง ให้การสร้างบทถนี่ของดีไหมดีนะแต่ถึงวอะไรตายต้องวางวนะกันนี่แกวางไม่ได้จนกระทั่งเพื่อนมาบอกเพื่อนรู้ว่าแกห่วงเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาบอกทําไงอะ่ะก็ตายไม่ดีสิงั้นต้องรู้จักปล่อยวางนะปล่อยทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นของที่เราเคยรักเคยหวงแหนหรือของไม่รักที่เราหวงแหนะ มีอะไรบางของไม่รักจะลงห่วงแหนกเช่นความโกรธไงความโกรธไงความโกรธในห่วงแหนนะความเศร้านี่หวงแหนนะเนาะคนเวลาเศร้านี่มันไม่ยอมปล่อยสลักความเศร้านะมันจะนั่งเศรา้าอยู่นะคนเวลาโกรธนี่ก็คิดแเรื่องความโกรธใครมาขอให้อภัยกลับไปว่าเขานะความสึกผิดเนี่ยโอหนี่หวงแหนนี่ปล่อยยากนะความสึกผิดเนี่ยต้องปล่อยนะนั้นะข้อสอนคือปล่อยวาง นะแล้วก็สามเนี่นะโดยพาะเวลาใกล้าตายเนี่ยให้นึกถึงสิ่งดีๆนึกถึงพระนึกถึงพระรัตนตรยัยนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำํำผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาชิ่นชีวิตแล้ถ้าเร า, เราทําความดีเอาไว้นะเวลานึกถึงใจเราจะตายก็นึกถึงความดีที่เราได้ทํามันก็จิตใจอิ่มเอิบปิตินึกถึงพระนึกถึงผู้เจ้าถ้าเรามีศรัทธาเราก็เกิดความปิติ เกิดเกิดเกิดปราโมทเกิดปิติเกิดปัสสัต t h นะปราโมทคือความเบื่อบานใจและจะตามให้เกิดปิติเมื่อบานใจแล้วก็จะทําให้เกิดปัสสัต t h คือความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุขนะงั้นเนี่ยเวลานึกถึงสิ่งที่เราศรถถาัทธาทำให้เกิดสุขได้แม้กระทั่งเวลาใกล้ตายแต่ถ้าทำยี่ได้นี่นะต้องมันต้องต้องทำบ่อย และสิ่งที่ทําให้เราทําบ่อยได้ก็คือการเจริญมรณาสติตอนเรารู้ถึงมรณาสติคือรู้ถึงความตายอยู่เสมอนะมันจะทให้เราเร่งทำความดีมันจะทให้เรากลัวความชั่วไม่อยากทำมันจะทำให้เราฝึกปล่อยวาง เ, าเงินหายของหายก็ต้องฝึกให้ปล่อยถูกดา่าเสียหน้าต้องปล่อยความเศร้าความโกรธนะการเจริญมรณาสติทุกวันบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ย ไม่ไม่ดิ้งดูดายกับไอ้สามสามข้อที่เทวตมาบอกนี่แบบพูดแบบเยาอย่อนะมันไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราเราเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเช่นเราไม่มีความสุขปิดติดค้างใจเพราะาเราได้ขอโทษขอขมานะมันไม่มีอะไรค้างคาใจมันก็จะไม่ค่อยผูดถึงผุดขึ้นมา มันก็จิตใจเราก็ไม่กระเพื่อเราจะกระเพื่องว่าต่อเมื่อเรายังไม่ได้เคลียร์กับความรู้สึกนั้นยังมีความรู้สึกผิดอยู่นะซึ่งเป็นซึ่งจริงว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นางมาริกาเทวีเนี่นะเป็นคนที่ดีนะเป็นเมสีพระเจ้าอุเทนพระเจ้าประสิทธโกศลสาวสวยดีด้วยแต่อายุสั้นประมาณสักี่บปลายสาิต้นปก็ตายตอนที่เธอตายในการนึกถึง เหตุการณ์หนึ่งซึ่งแกเคยโกหกก็จะประสิที่โกศลในเรื่องที่น่าอบอายแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากโกหกสำเร็จแต่พอจะตายเนี่ยรู้สึกผิดว่าเราไปพูดโกหกมุสาว่าจิตเศร้าหมองเพราะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยยังจมอยู่กับความรู้สึกผิดจิตสุดท้ายแบบกกศลตายก็เลยไปอบายไปนรก แต่อยู่ได้แค่เจ็ดวันความดีที่ทําก็ทําให้เหมือนส่งไปสวรรค์บางทีมันผูดขึ้นมาตอนที่เราไม่รู้ตัว เ, เพราะอาจารย์ท่านบอกให้ต้องฝึกปล่อยวางนะพอเรามีสติแล้วยินงเราเจอืองสติบ่อยๆเนี่ยมันจะปล่อยวางได้เร็วพอเรามีความสุนีขพอมีความคิดนี้เกิดขึ้นรู้ทันวางรู้ทันวางมันก็ไปดีได้เออสมมติเราเนี่ยมาปฏิบัติทางเราเราเร า, เรามี เชื่อตัวเชือนเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายและคําดีคําไม่ดีแต่แต่คนในครอบครัวของเราอย่างเงี้ยในลูกเราอย่างเงี้ยบางทีไม่เข้าใจอาจจะใช้คําพูดว่าแม่มาฟัางธรร ม, มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วกลับไปเนี่ยเพราะว่าเพราะเวลาเรามาปฏิบัติธรรมได้บางทีเราก็ต้องตื่นเช้าแล้วบางทีเราก็นอนไม่หลับเราก็ตื่นเช้าเกินไปกลับไปบ้านเราก็ไม่สบาย หรือโทรกลับไปอะไรลูกก็บอกแม่ก็รู้ดีว่ามาแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังจะมาอีกก <un less mess up> ลับไปก็ไม่สบายเห็นไหมเนี่ยผมหน้ายังไม่พอแล้วอ่ะเชื่อได้ยังไงว่าตายแล้วอ่ะมันจะมีมันจะไปมันจะไปจังหวัดอะไรเนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อลูกไม่เชื่อประมาณานี้เนี่ยแล้วก็เรื่องไม่เชื่อเรื่ เร่องั้งแต่เด็นเนี้ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราจะช่วยลูกไป็นยังไงดีคะก่อน อ, อย่างแรก น, นะเรารักษาใจของเราก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเิ่งนึกถึงไปช่วยกนน่นเลยเรายังทุกข์อยู่เลยแ ล, แล้วก็พูดแบบเนี้ใช่ไหมรักษาใจเราให้สงบนะไม่กระเพื่อมนะแล้วค่อยไปช่วยเขาไว้ไปช่วยแล้วแต่ใจเยังทุกข์อยู่เลยเนี่ยนะ เขาอาจจะรู้สึกลาคาญก็ได้เพราะว่าเวลาเราทุกเนี่ยมะเราจะไปสอนเขาเราก็สอนบางทีก็มีอารมณ์แทรกเขาก็กลายเป็นว่าเนี่ยโอ้ยเขาถูกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราบริสุทธิ์คือหมายถึงว่าใจเราปกติเราไม่โกรธนะไอ้คําพูดของเราการสอนงเราเนี่ยมันก็จะไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ผิดหวังเจือพนเราก็จะทําให้เขาเนี่ยเฟิมรมครอยได้ง่ายกว่า มาอย่างแรกคือเราไม่ทุกข์กับคำพูดของเขานะอัตมาก็จริงอยู่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาคิดเนี่ยนะมันไม่ถูกนะแต่อย่าลืมอันหนึ่งคือว่าอย่าเอาเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราอย่าเอาความไม่ดีของเขาเนี่ยมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเขมคนเดี๋ยวนี้เนี่ย ไปเอาเรื่องคนหนึ่งมาเป็นปัญหาตัวเองเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นเพื่อนะมาเนี่นะเป็นลูกคนสุดท้องดูแลแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์แกก็ดูแลอุสาแกอุตสาห์ทิ้งงานเนี่ยมาสิบปีนะมาดูแลแม่แต่พี่พี่ไม่สนใจเลยแกก็ทุกข์มากแกดูแลแม่แกก็เหนื่อยไปแล้วแล้วแกก็มาขุนมัวเพราะพี่พี่เนี่ยไม่ดูแลแม่ อัตมาก็แนะนำไปว่าไอ้กการที่เราดูแลแม่เนี่ยดีแล้วแต่การที่เขาไม่ดูแลแม่เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขาต่อไปเขาต้องรับกรรมเองเขาไม่กระตันอยู่กับแม่ก็ต้องรับกรรมเองทำไมเราต้องไปทุกข์เอาเรื่องของเขามามาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราดูแลแม่ก็เหนื่อยอยู่แล้วอย่าไปซ้ําเติมตัวเองเอาความไม่ดีของเขาเอาปัญหาขเขามาเป็นปัญหาของเราใช่ไหม เวลาเราทำความดีเราเอื้อเฟื้อใครเนี่ยบอกว่าเขาไม่เห็นความดีของเราเราเคยช่วยเขาตังเยอะแยะแต่เขามองข้ามหัวเราหลายคนจะทุกว่าทำไมเนี่ยไอ้หมอนี่มันไม่เห็นความดีของเราทำไมมันไม่สำนึกในบุญคุณเรานั่นเป็นเรื่องของเขาเขาอากตัญอยู่เขาก็ต้องรับกรรมเองนะหน้าที่ของเราคือช่วยคนที่เ้าตกทุกข์ได้ยากหน้าที่ของเขาคือมีความกรกตัญอยู่รู้คุณ เมื่อเขาไม่ทาหน้าที่นี้มันก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเข้ามาอันนี้รวมไปถึงว่าคนเขาคนเขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องเขาเขาก็ทุกข์เองเขาเองเราอย่าไปเดือดร้อนที่เขาไม่ชอบเราแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยชอบเอาเรื่องคนหรือมาเป็นปัญหาของเราแข้วมาคิดว่าเนี่ยเรานเนี่ยก็เหมือนกันนะอย่าเอาเอาเรื่องของลูกมาเป็นปัญหาของเรา แน่นอนเราลักเขานะแต่เราก็ต้องรักษาใจเราด้วยและเราก็ไม่ได้ยุ่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ปล่อยเฉยนะเราก็พยายามพูดนะพยายามสอนแต่เราต้องต้องต้องทำด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะถ้าเราทำด้วยใจที่ทุกข์นะสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยอาจจะเป็นผลลบ ก, กับเขาเขาจะบอกว่าแม่ว่าเขาจู้จี้ขี้บ่นอะไรเนี่ยนะซึ่งลูกก็หลายคนก็จะคิดแบบนั้น อ๋อแต่มันมันจําเป็นไงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะหาความสุขไม่ได้เลยอยียานึ่งเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยทําใหม่ๆเนี่ยมันยากเสมอนะขับรถเนี่ยโยงขับเป็นมะ้ะ ถ, ถ้าให้ตมาขับเนี่ยนะต่ะรู้สึกยากมากเลยเพราะตมาขับไม่เป็นใช่ไหมใหม่ๆเนี่ยธมาเชื่อหรือธมาต้องยากจะต้องเครียดมากเลย คือใหม่ๆเนี่ยนะมันยากเพราะว่ามันเป็นมันเราไม่คุ้นแต่พอทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันจะง่ายมันจะเป็นร่องมันจะเป็นร่องความคิดคือเมื่อคนที่คิดลบเนี่ยนะยังไงคิดบวกก็คิดยากนะเพราะว่าร่องความคิดเนี่ยมันคิดไปในทางลบนะห้ะคิดในทางบวกนี่เนี่ยมันไม่ไปเหมือนกับ น, น้ำน้ำก็ไปตามร่องไปตามร่องเดิม เราต้องการสร้างร่องใหม่เป็นร่องแห่งการคิดบวกนี่นะใหม่ๆมันก็ไม่ไปเพราะว่าเป็นร่องเร็กจนกว่าร่องนั้นเนี่ยจะใหญ่แล้วลึกนี่นะน้ําเนี่ยมันถึงจะไปร่องใหม่แล้วมันจะทิ้งร่องเดิมความคิดของมันการจิตของเราเหมือนการกระสาจิตเนี่ยมันก็จะไปตามร่องเดิมใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคนที่คิดลบเนี่ยจะให้คิดบวกเนี่ยมันยากแต่พอ ในตอนเดกการเรื่องการเทศมาพูดเนี่ยอาจจะยากเพราะว่ามันเป็นของใหม่สำหรับเรานะเรื่องการปล่อยวางแต่ว่าถ้าเราทำไปบ่อยทำไปบ่อยเนี่ยมันจะเป็นนิสัยใหม่แล้วพอเป็นนิสัยแล้วมันง่ายนะฉะนั้นก็อย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไ ป, าไปกังวลนะ้ในเมื่อรู้ว่ามันยากนะถ้าใครบอกว่าง่ายเนี่ยตมาว่าไม่สําเร็จนคนที่บอกว่าง่ายเนี่ยไม่มีทางทําสําเร็จแต่คนที่บอกว่ายากนี่นะ มีโอกาสทำสำเร็จนะคือเวลาใครนี่นะเวลาใครอาตมาให้งานนั้นเรก็บอกว่าไม่มีปัญหานะอาตมาต้องระวังแลไวเนี่ยสายมีปัญหาแน่เวลาให้งานใครเขาเขาหนักใจเขาจะมีปัญหามีโอกาสสำเร็จเพราะเขารู้ว่าไม่มีปัญหาเขาจะระวังเนี่ยแล้วเขาจะตั้งใจมากขึ้นคนที่บอกว่าโนพรอมเบิมเนี่ยนั่นแหละคือปัญหาแล้ว มันได้แต่ที่ว่ามันเวิร์กสาหรับเราไหมมันเคลียร์ออกไปจากใจหรือเปล่าสมมุติเราทําแล้วเนี่ยเออสุขสบายใจเราไม่รู้สึกผิดกับมันอันนี้โอเคแต่บางคนเท่านี้อาจจะไม่พอแต่ไหมก็อาจต้องทํามากกว่า น, นี้เช่นถ้าอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยตอนที่เขาทำนี่นะเพราะว่าเขาไม่ไม่รู้จักบอก บ, บุญคุณโทษแต่พอเข้ามาสนใจศาสนาเขามีความคลึงในศาสนา ไอ้ความเคร่งในศาสนาเนี้ยก็ไอ้ทำให้เขาสึกแยกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยนึกย้อนไปทีไรเฉยๆแต่พอมาสนใจศาสนาเนี้ยมันาจะมีปัญหานี้นะตรงนี้เนี้ยไอ้ต้องเราทุกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายอมรับการกระทําแนบดีไม่ได้เราพยายามลืมมันตรงนี้ไม่ถูกเราต้องพยายามประเชิญหน้ากับมันอย่างที่ธรรมบอสนะทุกอารมณ์เนี่ย จุดอ่อนของมันคือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นถ้าเราเห็นถ้าเราเผชิญกับความทรงจําในอดีตที่ที่ที่ติดพลาดเนี่ยด้วยสติด้วยการยอมรับยอมรับว่าเราเคยพลาดแต่ความติดดีนี่มันจะทําให้เรายอมรับไม่ได้มันยอมรับไม่ได้ว่าเนี่ยเราเคยเคยพลาดมา ก, ก่อนทั้งที่ตอนเราก็เป็นเด็กแค่นั้นเองใช่หไหมแต่ว่าเราสุวรรณนี่คือเราเราผิดศีลเราฆ่าสัตว์ทปาประนติบาเนี่ย ที่แบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเกิดเรายอมว่าเออใช่เราเคยพลาดนะแล้วเราตั้งใจจะไม่ทําอย่างนั้นอีกมันก็จะเคลียร์ได้ให้าภัยตัวเองเราเรายอมรับได้ว่าเราคือเราเราจริงลึกเรากลัวเสียเซลล์เนี่ยว่าเราคนดีแบบเราทําอะไรไปทำอยางั้นกับสัตว์ทำ <c oughs> ่ม <c oughs> บางทีไม่กับสัตว์บางทีกับพ่อแม่ <c oughs> ก็ยังยังคาอยู่ยังไม่ยังไม่แล้วใจนะคือถ้ามันถ้าเรานึกแล้วเรานึกแบบคือหนึ่งมันไม่เกิดบ่อยสองถ้านึกแล้วสุดจิตใจกับเพื่อมเนี่ยแสดงว่ายังยังค้างคาอยู่จิตใจแต่ถ้าเรานึกไปแล้วเนี่ยจิตใจเราปปกตินะอันนี้แสดงว่าโอเคละเมิร์ก็เป็นหายเป็นละหาดเป็นนี่แต่ยังไงก็ไม่เจ็บ แต่ถ้าแผลมันยังยังเลื้อลังอยู่เนี่ยถูกทีแรวก็เจ็ทุกทีก็ต้องไปไปเคลียร์กับมันยอมรับว่าเราเคยทำยอมรับความจริงการยอมรับความจริงเนี่ยช่วยทำให้มันคลายไปจากใจได้แต่บาทีเรายังยอมรับไม่ได้เพราะมันรูกว่าโหมันแย่มากํำอย่างนั้นั้งที่จริงๆมันก็เป็นอาการีเ่เป็นเป็นธรรมดากังเด็กะนะ เพื่อก็คือต้องให้อภัยตัวเองด้วยน่าเชิญ ถูกนะก็เรียกว่าเป็นการแก้กรรมบาปพุทธแก้กรรมหมายความว่าเราไม่ทําเราไม่ทํากรรมเดิมที่ไม่ดีแล้วเราทํากรรมดีที่ตรงค่านะอันนี้เป็นการแก้กรรมบาปพุทธก็คือว่าทําให้ทําให้กรรมนั้นเนี่ยจะเจือจางลง แ, ล แ, กแก้ไม่ได้แต่ว่า การที่เรานึกถึงเหตุการณ์นั้นด้วยความรู้สึกผิดลึก ร, รู้สึกโกรธเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำสิ่งนั้นซ้ำอีกนะและจะเป็นแต่มันเป็นการทำซ้ำในเชิงในระดับมนโนกรรมแต่ว่าถ้าเราไม่อยากทำซ้ำก็ให้เมืออก็ว า, วางมันลงแต่ไม่ใช่ไปกดมันหรือไม่ใช่แกล้งลืมแต่ว่าเป็นการเผชิญหน้ากับมัน และยอมรับว่าเออเราเคยพลาดแล้วก็แห่ภัยตัวเองก็จะช่วยได้มีคำถามไหมมีคำถามโยมอยากจะอันนี้มันเข้าใจง่นายนะคะคือบางคนก็บอกว่าในทางุศา ส, สนาเนี่ยการฆ่าตัวตายเป็นบาปบางคนก็บอกว่าไม่มีหรือก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรมีไหมครับอาจารย์เออมันขึ้นอยู่กับ เอางี้นะการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเป็นบาปนะนะก็บาปน้อยกว่าการไปฆ่าคนอื่นนะแต่ครั้งี้การฆ่าตัวตายที่ไม่เป็นบาป ก, ก็มีในพระไตรปิฎกเนี่ยมีพระอรหันต์หลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมหลังจากฆ่าตัวตายพระช น, นะพระวกกลีพระวกกลีเนี่ยมีหลายเวอร์ชนะันนะวัดเวอร์ชันในพระไตรปิฎกคือตายคือฆ่าตัวตายพระโคติกะพระสัพพทาพวกเนี่ย มีเป็นสิบนะที่เป็นพระอรหันต์หลังจากฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้แปลว่าฆ่าตัวตายทำให้เป็นอรหันต์นะไม่ไม่ใช่นะานนวางใจก่อนตายก็ยคือว่า ต, วตอนที่ท่านตอนที่ท่านท่า น, ทานปล่อยวางเพราะท่านเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ท่านเห็นไตรักในภาวะที่จิตเนี่ยมันในพอที่กายมันทุกข์ทรมานมากอย่างพระโคตจิกาศเนี่ยตอนจะตายท่านท่านช่วยคอเพราะว่าท่านพยายามเข้าฌาน คือถ้าไม่สบายแล้วก็พยายามเข้าฌานพอหายจากฌานพอฌานหลอกก็ก็ทุกข์ใหม่ก็เลยคิดว่าทำให้อยู่ครั้งครั้งที่7ก็คิดว่าถ้าข้าตัวตายตอนอยู่ในฌานเนี่ยนะหรือตอนที่ฌามันเริ่มกำลังจะเสื่อมเนี่ยจะได้ไปดีไงเพราะสงบเนี่ยแต่ตอนตายเนี่ยตอนข้าตอนกรีปาดคอเนี่ยมันปวดนะท่านก็เอาเวทนาเป็นอารมณ์ภาษาธรรมะแปลว่า ก็พิจารณาเวทนาดูเวทนาดูเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดก็เห็นไตรลักว่าสังขารเนี่ยเป็นทุกข์มากไม่น่ายึดถือเลย <c oughs> จิตก็ปล่อยคือวางเพราะเห็นว่ามันไม่น่ายึดถือเพราะมันทุกข์มากเนี่ยเหมือนกับเราถ้าเรารู้ว่าไอ้ก้อนที่เราถือที่เป็นทานขาร้อนๆนี่เราก็ทิ้งเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นะแล้เนี้ยพอ <c oughs> ท่านก็เลยบรรลุไง หรืออย่างพระชนะที่พระเจ้าตัดว่าการตายพระชนะเนี่ยคือบอกว่าคนจํานวนมากเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยก็พอไปยึดยดกรรมนี้ยึดร่างนี้หรือไปยึดร่างใหม่แต่พระชนะเนี่ยไม่ได้ยึดในร่างนี้แล้วก็ไม่ได้ยึดในร่างใหมห่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ต้องตําหนินะตอนนั้นพระชนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็คือว่าร่างนี้ก็ไม่ยึด ร่างใหม่ก็ไม่ยึดคือท่านวางหมดอย่างนี้ไม่เรียกว่าบาสนะมั้ยแต่คนที่จะวางใจแบบนี้ได้เนี่ยน้อยคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ก็ทําด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจความโกรธความพกรูจิตเป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดว่ามันมีช่วงแวบหนึ่งที่เกิดได้สตินะแล้วก็วางอารมณ์พวกนี้ได้อย่างนี้เนี่ยก็ไปดีนะ ท่านที่บอกว่าตายไปแล้วค่าตัวตายต้องไปต่อลูก500ชาติเนี่ยมันก็ไม่จริงเพราะว่าที่เป็นอรหันต์ก็มีไงใช่มไหมแต่เรื่องนี้บางทีเขา้ามยพูดกันเท่าไหร่นะโยมอีเข้าใจนะเพราะบางทีก็บอกว่าไม่มีอนไม่เป็นอะไรพวกเป็นเตี๋ยบที่มาจากต่อ แล้วก็ในจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นอกุศลคือมันยังมันยังต่อเนื่องไปจนจิตสุดท้ายแต่ถ้าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยปล่อยวางเห็นธรรมแล้วปล่อยวางอันเนี้ไยไปดีไปดีใช่อาจจะมีคนมานำทางอาจจะมีคนมานำทางให้ได้สติก็เป็นกุศลจิตสุดท้ายนะจะไปดีไม่ดีอยู่ที่จิตสุดท้ายนะ อันนี้สำหรับคนทั่วไปนะที่ไม่ได้ไปทําอนันตฤติกรรมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่จิตสุดท้ายเป็นตัวชี้ขาว่าตายแล้วไปไหนถ้าจิตสุดท้ายเป็นเป็นกุศลแม้จะฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าก็ไปดีนะบางคนอาจจะตายก็เรียกภาษาชา ว, วาแล้วตายหาใช่ไหมคือตายไม่ดีอะ่ะว่าตายโหงตายโหงก็ตายไม่ดีใช่ไหมแต่ไปดีก็ได้นะ ไปดีก็ได้คือมีตกถูกยิงแต่ว่าจิตสุดท้ายเป็นกุศลปล่อยวางได้เนี่ยรหรือแม้กระทั่งตายตายเพราะโรคหาเรื่อตายหาเนี่ยนะแต่ว่าไม่ทุกทรมานก็ได้ก็ไปดีว่ตลอดชีวิตคือที่เราจ ำ, ำได้เราก็ทาดีสร้างกุศลประมาณอย่างเงี้ยนะคะเท่าที่เราจะทำได้ดความสามารถอย่างเงี้ยแต่ว่าเอนตอนที่เราจะตายอ่ะมันจิตมันได้ดีอะ่ะ แล้วอื่นก็ไปไม่ดีแกค่ะแล้วไอ้อสวนที่เราสร้างมาจะช่วยอะไรเาได้บ้างไหมคะได้มันจะส่งผลตามมาทีหลังะอย่างนางาาคุณจะไปตกลงกอนแล้คือสุขบันอย่างนางมาริการ์ีวีก็ตกลงตกลงกันเจวันแล้วความดีที่ส่งผลก็หมุนให้ไปเกิดเป็นเทวดาเรื่องนี้ก็มีเกร็์นะพระเจ้าสนโกศลเศร้าเ ส, สียใจมากก็ไปหาพระเจ้าเพื่อทูลถามว่านางสาววีสามารถนาง มาลิกาทีวีตอนนี้ไปอยู่ไหนผู้เจ้ารู้นะว่านางมาลิกาอยู่ไหนแต่พูดไม่ได้พอจะพูดแล้วเนี่ยพระเสวติกโกศลจะเข้าใจผิดว่าทําดีแล้วทำดีมาตั้งแต่แล้วไม่ได้ชั่วทําดีแล้วไม่ได้ดีดดดก็มีใช่ไหมทําดีทําไมต้งนรกอะ่ะผู้เจ้าก็เลยบันดาลให้พระเจ้าเสวติกโกศลเนี่ยลืมฐานเพราะถ้าถามแล้วก็ต้องตอบความจริงพระเจ้าเสวติกโกศลกลับไปนึกขึ้นมาได้ พอรุ่นขึ้นไปใหม่แล้วก็ลืมอีกเจ็ดครั้งเจ็ดวันพอถึงวันที่แปดพุทธจาก็ตอบความจริงแล้วว่าขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะเม่อนนี้ก็สนใจดีใจสบายแต่บอกไม่ได้ไงถ้าบอกแล้วเนี่ยคนไม่เข้าใจเนื้อเรื่องเรื่องกรรมบางทีมันซับซ้อนนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยจริงบอกไม่ได้ว่าทำดีแล้วจะไปสวรรค์เสมอไป ทำดีะได้ดีแน่แต่ไม่ใช่แปลว่าทำดีแล้วต้องไปสวรรค์หรือทำช่วยตนนรกเสมอไปใช่ไหมมันอยู่ที่เจ็สุดท้ายหรือกรรมจวนเกียร์เป็นตัวกำหนดไม่ใช่อย่างนี้ก็แย่ใช่ไมคนทชั่วมาตลอดแล้วพอทำดีถึงจุดสุดท้ายดีไปเลยไปสวรรค์แล้วเาไม่ชั่วเขาทำมาตลอดชีวิตแล้วก็ ต, ต้องรับกรรมต้องรับกรรมกรรมที่ทาชั่วจะต้องตามมา ต, ตามมา อาจจในช่วงที่ไปสมัครเข้าใหมอ่าอาจจะเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าแล้ตัวละตัวละหมดแต่ว่าอาจจะพิการอาจจะเป็นป่วยสารพัดอะไรเงี้ยตามมาแต่สําหรับชาวพุทธเราก็ถือว่าเป็นมือเป็นมือเอาไว้ก่อนพอเป็นมนุษย์ยังมีโอกาสที่จะเห็นธรรมถึงแม้จะพิการตามบอดหูหนวกก็ยังปฏิบัติธรรมได้ดีกว่า ไปเป็นหมาแต่เป็นหมาห้องเต้เนี่ยนะมจะนะฮบางทีก่อนตายเนี่ยนึกถึงทรัพย์สมบัติน ะ, ะอย่างโทนพราณ์เนี่ยก่อนตายเนี่ยนะนึกถึงทรัพย์สมบัติที่สะสมมา ต, ตายผู้ไปเกิดในท้องหมาแต่ว่าอาจจะเนื่องจากทำเนื่องจากรรมดีไว้ก็เลยเป็นหมาเป็นหมาหมาห้องเต้ น, ตนนะสบาย ม, มีมีเนื้อกินทุกวันนะยุงไม่ให้ยุงไม่ ยุงไรไม่ไต่ตอมเนี่ยน ะ, ะเพราะเจ้าของนี่รักมากนะใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าทำกรรมดีในชาติที่แล้วแต่ว่าอาสถานกรรมไม่ดีะระหว่างเป็นหมาห้องเต้กับเป็นคนแต่ว่ายากจนที่การนะสรัชาวพุทธนี่เราก็เลือกเป็นคนดีกว่าเพราะมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมไดแ้แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดยาที่มาติดตาะะเราไม่สามารถที่จะไปรังแคบรียว่าทําให้จิตของเรามีคิด ต้องฝึกเอาไว้สม่ำเสมอปฏิบัติธรรมอยู่เป็นหนึ่งนิดแล้วมันแล้วมันจะทำงานของมันเองอีกอย่างก็คือว่าจึงต้องมีจึงมีธรรมเนียมประเพณีบอกนำทางใกล้ตายนำทางคนใกล้ตายเรียกบอกอารหังแต่คนทำชั่วนี่นะถึงเวลาจะมีคนมันนำทางบางทีมันไม่ไปนะไปไม่ได้คือยังมีภาพรูปหนึงมาบวชตอนแก่นะ แล้วพอจะตายเนี่ยนะเพื่อนพระเนี่ยก็ช่วยกันนำทางให้เราถึงพระรันาตนตรัยแกนึกไม่ได้เลยแกเห็นแต่หน้าคนตายที่ตัวเองเคยฆ่าใช่ไหมคือจิตเนี่ยเือตรงนี้คเรือกรรมนิมิตกรรมนิมิตฝานบเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันแรงมากนะจนกระทั่งใครพูดอะไรเนียไม่ได้ยินหรือบางทีได้ยินผิดเพียนหลวงปูด่ดูท่านไล่ฟังหลวงปู่ดูวัดสะสแกนะท่านเล่าว่า มีผู้ชายคนอนึ่งเนี่ยทรมานปลามากนะเวลาจะตายน้องชายก็มาม า, มาบอกพุดโ ท, โทแกเห็นแต่แกก็บอกว่าเนี่ยปาชโดปาชโดเนี่ยมันมันอยู่ในครัวนะเวลาพระเวลาเวลาน้องชายบอกว่าอาระหังนะแกก็บอกว่าเนี่ยแกตึงตึตึงแต่ปลาในกระชังนะพอพ อ, อกพุดโทนี่ก็บอกปลาส้ม ส้มปลาเทพโพอยู่ในครัวแลวพอบอกอรหังก็นึกถึงปลาในกระชังอยู่ในกระชังเยอะๆเลยคือบอกอยังไงในใจมันไม่เป็นมันไม่น้องไปในทางกุศลเลยมันนึกถึงแต่บาปที่เือนทตลอดเวลาฮนะอ่ายังมีคำถามจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องพอลานะคะาะว่าอาจารยเลาสักเรื่องอเรื่อง มันเป็นแรงบันใจจากหลวงพ่อคำเขียนที่ทำให้พระจันทร์ อ, <c oughs> อย่างนี้อะไร <c oughs> คือคือก็เอที่ได้บรรแดนแรงบานดาลใจนะเรียนรู้จากท่านเนะี่ยโดยพ่อมื่อบวชแล้วเนี่ยก็คือการที่ท่านเนี่ยนะเรียกว่าสงบนะท่านไม่ว่าเจออะไรเนี่ยท่านก็จะนิ่งมีใครมาต่อว่าด่าทอท่าน ท่านก็จะเฉยใช่มมีอะไรที่ไม่ถูกต้องทั้งหน้าคนผิดพลาดท่านก็ท่านก็พูดก็แนะนำโดยที่ไม่มีการโกรธพาดต่อยกันเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้โมโหนะท่านก็พยายามสอนนะสอนคือท่านท่านท่านงี้ท่านสงบนะท่านนิ่งท่านราบเรียบนะอยู่เป็นเป็นเป็นธรรมชาติซึ่งแล้วกันท่านก็มีเมตตา แล้วก็ท่านก็ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นพระพระพรรษาน้อยนะท่านก็ไว้วางใจเชื่อมั่นนะเราจะขอไปนู่นไปนี่ท่านก็ไว้ใจว่าเนี่ยเราก็คงจะดูแรลรักษาตัวได้ท่านก็ให้ไปนะอันนี้ก็ก็เรียกว่าได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้รับลางสีแห่งความ สมบรเย็นและความเมตตามีท่านนอกจากคำสอนนะคำสอนที่ท่านสอนเนี่ยบางอย่างหลายครั้งเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอปฏิบัติไปปฏิบัตไปเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็พยายามพักระหว่างเดินทาง แล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ทุกวันนี้พาหนะในการเดินทางก็สะดวกกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนนี่นั่งรถนั่งรถบขสสีส้มนะอืไงรถรถท่านลมนี่นะแต่ดิฉันมันก็สบายมด้งเยอะต้องมีรถแอร์บางทีก็นั่งรถส่วนตัวก็สบายรถเมลชานี่ก็สบายมากนะดี๋ยวนี้ก็บางทีนั่งเครื่องบินเนี่ยแต่มาว่าก็อย่างนี้หนึ่งก็สะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนแต่ก็มันก็ ก็จริงนะว่าถ้าเดินทางนานๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหนื่อยได้ง่ายก็ก็ต้องก็ต้องจัดการให้มันดีนะก็คือว่าช่วงไหนที่เราเดินทางเดยวก็ต้องมีเวลาพักนะแต่ที่จริงเนี่ยระหว่างที่เดินทางธรรมาก็พักอยู่แล้วนะจิเป็นวันเกิดครบรอบ60ปีของอาจารย์ให้ไม่ทราบจะพูดภาษาธรรมะยังไงที่จางคุณตุูช่วยน้ำหนะครับที่ อยากจะพูดแต่เดี๋ยวอาจจะพูดผิดค่ะคุณภูที่อยากจะอวย พ, พรครบรอบ60ปีอาจารย์วันที่10พุษภาคมเนี้ยค่ะพวกญาติโยมอยากจะอวยพรให้เข า, าพูดภาษาภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านก็คิดว่าให้มีสมรภาพแข็งแรงแล้วก็อายุเบาแล้วก็โอมพวกญาติโยมต่าง่านา อ่าขอขอบคุณนะขอให้สมพรปราชนานะอ่าก็หวังอย่างงั้นเหมือนกันนะแต่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอขอบคุณมากแค่คืนนี้เท่านี้ใช่ไหมอ่าอ่าเดินพรพุณงนี้เช้าก็ผกโงนะใครสนใจก็เดินเดินเดินเดินจงกรมเดินเดินรับอรุณนะรับอรุณ อังสัมาสัมพุทโธภะคะวุรภะคะวตาอะิวะเทวสวาโตภะคะวะตามโมมันะมสสุิปันโน อนอนให้สบายนะนอนให้หลับสนิทนะได้ได้มาที่ที่อย่างนี้แล้วเนี่ยครับก็ให้ได้ประโยชน์จากการพักผ่อนนะจากสถานที่นัวธนา